สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะระพุลอาพเจ้าพระมหาไพบุญอภิปุณโณจากวัดป่าดอนหายศกทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาพบกับท่านบวชทางสถานีวิทยุแห่งนี้นำเรื่องราวที่เป็นคำสอนคำสอนนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้สอนเอาไว้เป็นสิ่งที่ท่านได้คิดค้นขึ้นเอง ทดลองในการปฏิบัติทมสิ่งไหนทำแล้วมันไม่ดีลองทำดูมันไม่ดีจริงๆก็เลิกทำเปลียนดูสิ่งไหนทำแล้วมันดีลองทำดีได้ผลจริงจริงถึงขั้นที่สุดลองทำดูแล้วเปรเียบเทียบให้เห็นก็แตกต่างของสิ่งที่เป็นกุศลอกุศลมีความสามารถในการที่จะบอกจะสอนสัตว์ทั้งหลายในเรื่องราวที่จะทาให้เกิดการพ้นทุกข์ได้ ความรู้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาอาชีพใดก็สามารถนําไปใช้ได้ครับชาวนั้นเป็นผู้ที่ฟังคําสอนของผู้สอนคนนี้ผู้สอนคนนี้ในสมัยปัจจุบันมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยออมีนามสกุลว่าโคตมะภาษาไทยเรา อ, อ่านว่าโคดมเกิดในโคตมะโคดเป็นสัมณาผู้สงบที่ทํากิเลสให้เหือดแห้งไปจากใจได้ด้วยตนเอง มีความสามารถในการบอกการสอนข้อมูลต่างๆเหล่านั้นด้วยและแน่นอนท่านฟังในแต่ละวันของในช่วงสัปดาห์นั้นเนื้อหาที่ข้าพเจ้านำมาให้ท่านผู้ฟังฟังก็จะมีความแตกต่างกันบปท่านฟังที่ฟังรายการมาเป็นหลายๆปีแล้วก็คงจะทราบแล้วว่าในช่วงของวันอังคารเราก็จะพูดถึงเรื่องของการปฏิบัติแต่เป็นการปฏิบัติทำเป็นการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบ สึ่ติข้าพระเจ้านี่ก็ไม่ได้พูดพร่ำทำเพลงอะไรมากมาถึงก็ใส่กันเลยว่าต้องตั้งสติขึ้นยังไงจะกำจัดเจ้าตัญหาอวิชัยยังไงมีประเด็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติแล้วก็มาพูดคุยกันในวันอังคารอย่างนี้ทีนี้ว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะเพิ่งเริ่มมาฟังเือพราะว่าวก็หลายๆคนที่เพิ่งเริ่มมาฟังอาจจะฟังได้ 3-4 เดือนมาแล้วหรือว่าได้ครึ่งปีมาแล้ว หรือจะเกือบปีมาแล้วก็าตามซึ่งพระเจ้าจําได้ว่าในช่วงอย่างน้อยก็เกิน12เดือนละที่ได้มีการพูดถึงเรื่องราวที่เป็นพื้นฐานเบื้องต้นว่าทําไมเราจึงจะต้องมามีการปฏิบัติธรรมวันนี้ก็เลยจะใช้โอกาสนี้ทำฝั่งในการที่จะอธิบายพื้นฐานเบื้องต้นแรกเริ่มเดิมทีแต่ว่าพื้นฐานการเริ่มวิธีการที่เราจะเริ่มในการปฏิบัตินี้ เราก็จะต้องมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอย่างไรมีความเข้าใจอย่างไรเพราะว่าความเข้าใจที่ถูกต้องพื้นฐานองค์ประกอบต่างต่ที่ถ้าบกว่าเรามีเราทาให้เกิดขึ้นแล้วลนี่จะเป็นพื้นฐานที่ดีหรือแม้แต่สำหรับธรรมบุฟังที่มีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอยู่เป็นประจำแล้วก็ตามการที่เราจะต้องมารู้เรื่องราวที่เป็นพื้นฐานเป็นความเข้าใจว่าสิ่งใดๆที่เราควรทาให้มีเนี่ย รู้ตรงนี้เพิ่มเติมรู้ตรงนี้ให้ชัดเจนจำแจ้งยิ่งขึ้นเราก็จะมีความหนักแน่นมีพื้นฐานที่มั่นคงมีรากฐานที่ดีซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทําให้การปฏิบัติของเรานั้นสามารถก้าวหน้าขึ้นไปได้นั้นดําแรกต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งตาองระวังเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติคําว่าปฏิบัติปฏิบัติและก็ปฏิบัติเนี่ยหมายถึงการเอามาทํารือก่าวกัเอามาใช้งาน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 สิ่งที่เรากําลังมาพูดกันอยู่เป็นประจำในช่วงของวันอังคารก็คือการที่เราจะมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบซึ่งการปฏิบัติอย่างเป็นรูปแบบหรือว่าในชีตประจำวันก็แล้วแต่ในซึ่งมันก็แตกต่างกันที่ท่าทางแต่ น, นั้นเองแต่เรื่องของจิตนั้นต้องเหมือนกันเรื่องของจิตต้องเหมือนกันเพราะว่าเวลาทำก็เรียกว่าปฏิบัติเนี่ยเราปฏิบัติที่จิตเท่านั้นเองครับที่จะก็จะบูดถึงเรื่องของ การทำจิตอย่างไรวิธีการในการที่เราจะพิจรารณาผัสะการเห็นความไม่เที่ยงของสิ่งต่างต่างที่มากระทบสส่งความที่เราจะเห็นการที่เราจะพิจรารณาการที่เราจะทำไว้ในใจเนี่ยชื่อมันบอกอยู่หลายคำวั ง, งก็คือการทำไว้ในใจซึ่งใจของเรามีอยู่ตรงไหนละ่ะมันก็ทำได้ที่นั่นแต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งอยู่หลับตาหรือลืมตาได้ทั้งสิน้นซึ่งความที่จิตเป็นสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย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 สิ่งใดสิ่งหนึ่งจดจ่อเกี่ยวกับการงานที่จะต้องกระทำให้มันลุล่วงไปได้แล้วเนี่ยมันก็ไปไม่ได้นะท่านผู้ฟังต่อให้คนที่สมาธิสั้นขนาดไหนก็ยังจะต้องมีสมาธิบ้างในกิจการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะต้องทําให้เสร็จลุ่วงไปอย่างง่ายๆถ้าบอกว่าเราไปสอบทําข้อสอบอย่างนี้คนที่ไปสอบทําข้อสอบแต่ซึ่งแ น, น่นอนทุกคนต้องเรียนหนังสือเรียนหนังสือมาในการศึกษาขั้นบังคับ อย่างสูงสุดก็คุณก็จบด็อกเตอร์หลายๆลใบไปใช่ไหมอย่างตามสุดคุณก็ต้องจบมสามสมัยนี้แต่เว็นสมัยก่อนเดคุณอาจจะเป็นคุณยายคุณป้ากงอ า, อา마ก็ต้องจบปสแต่อาจจะไม่ได้เรียนเป็นรูปแบบก็ต้องมีการเรียนบ้างละให้พูดได้เขียนได้ซึ่งการเรียนในรูปแบบต่างๆเหล่านั้นมันก็ต้องมีการสอบเด็กพอมีการสอบแล้วเดี๋ยวจะผ่านได้คะแนน ด, ดีหรือว่าเกือบตกเด็กก็ผ่านอยู่ดีนั่นแหะ นะการทําได้ตรงนั้นถูกบ้างผิดบ้างนะจิตก็ต้องมีการจดจ่ออยู่บ้างมากน้อยแตกต่างกันไปแต่คนมีการจดจ่อได้มากที่ก็เป็นอารมณ์เดียวมากมีกําลังมากเขาก็อาจจะทําได้คะแนนดีถ้าบอกว่ามีการจดจ่ออยู่น้อยทําได้บ้างบางข้ออาจจะจดจ่ออยู่ 5- นาทีสินาทีเป็นอารมณ์เดียวอยู่ยงนั้นก็ทําได้ช่วงนั้นช่วงที่มันตื่นเต้นโอ้ทําไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิไปนะซึ่งมันมันมีสั้นบ้างยาวบ้างทุกคนมี ทุกคนเคยทําจิตให้เป็นอารมณ์เดียวได้แล้วหรือแม้แต่การงานอย่างใดอย่างหนึ่งเนาะผมคนไม่ชอบเรียนหนังสือในห้องเรียนแต่เล่นละ่ะเล่นลเล่นกีฬาประเภทใดประเภทหนึ่งสมัยนี้เขาก็เล่นกีฬาประเภทที่ใช้นิ้วแก็หมายถึงเกมกดคอมพิวเตอร์พวกนี้ละ่ละเล่นพวกนี้ก็ต้องเอาใจจดจ่อในสิ่งตรงนั้นแล้วเราดูอย่างเด็กที่แต่เราบอกว่าคนนี้สมาธิสั้นอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยถ้าเราให้เขาเล่นพวกเกมกดคอมพิวเตอร์นี่ เด็กที่เราบอกว่าเขาสมาธิสั้นนะี่ยนั่งอยู่นิ่งๆได้แค่ไม่เกิน30มวินาทีเดี๋ยวมันต้องไปละเดี๋ยวต้องลุกขึ้นลุกอะไรหรือว่าแม้แต่เรียนในห้องเรียนเนี่ยก็ไม่สามารถทํำคะแนนได้ดีอ้าวไม่เป็นไรแต่ถ้าบอกว่าเราเอาเกมกดคอมพิวเตอร์ให้เขาเล่นนะ่ยนั่งเล่นอยู่ตรงนั้นแหละตั้งแต่เช้ายันเย็นแบางทีก็ลืมไปกินข้าวลืมไปเข้าห้องน้ำด้วยซ้ําแต่จีตใจเขาก็ยังจดจ่ออยู่ตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราทุกคนเนี่ยมีความสามารถตรงนี้อยู่ อยู่ที่ว่าจะเอามาใช้ได้ในเวลาไหนอยู่ที่ว่าเราจะเอามาใช้ได้ถูกเวลาไหมซึ่งอย่างกรณีของเด็กที่เขาเล่นเกมกดคอมพิเเวเตอร์อย่างเงี้ยเขาเอามาใช้ได้ในเวลาที่เล่นเกมกดคอมพิเวเตอร์แต่ทําไมเขาไม่สามารถเลือกที่จะเอากําลังจิตแบบนี้มาใช้ในเวลาเรียนหนังสือซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยการฝึกการควบคุมกําลังสมาธิตรงนั้ในให้เป็นลักษณะของสมาดสมาธิแต่เราจึงต้องมีการฝึกชนิดที่ Next, ว่าเป็นรูปแบบแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันกับ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 อันนี้คือข้อที่1ว่าทุกคนมีจิตที่เป็นอารมณ์อันเดียวมาแล้วแน่นอนะมีความสามารถที่จะกระทำตรงนี้ได้แน่นอนคือเกิดเป็นมนุษย์แล้วสุขก็มีทุกข์ก็มีก็ธรรมดาอาจจะทุกข์มากกว่าสุขบางคนอาจจะสุขมากกว่าทุกข์แต่ด้วยความที่เป็นมนุษย์เนี่ยสุขก็มีทุกข์ก็ ม, ม, ก ม, ก ม, กมีก็ยังพอมีความสามารถในการที่จะสร้างคุณงามความดีทําจิตให้เป็นสมาธิได้อนนี้ข้าพเจ้ายืนยันได้ได้ประการ ท, ที่สองของการที่จะมาฝึกปฤฤฏิบัติเนี่ย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 ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีทั้งหมดนะตามความเข้าใจนิดหนึ่งความคิดไม่ใช่เป็นความฟุ้งซ่ันทั้งหมดไม่ใช่ความคิดนี้พระบรทธเจ้าได้แบ่งเป็น2 ส, ส่วนกันความคิดที่อยู่ในใจของเราเนี่ยเหมืนที่เราขับรถก่อคิดเวลาพูดเปล่งเสียงใดเสียงหนึ่งออกมาความคิดอื่นก็มีหรือเวลาทํางานอย่างใดอย่างหนึ่งก็มีความคิดทํากับข้าวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็มีความคิดไอ้ความคิดพวกนี้ทั้งหมดในแต่ละวันเอาโอเคว่าเรายังไม่ต้องนะั่งสมาธิละ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 ความคิดเหล่านี้ที่ดีเราก็เรียกว่าสัมมาสังกปะคือความดาริชอบซึ่งสัมมาสังกปปะตรงนี้ถ้ามันอยู่ในขณะ ท, ที่เราลืมตาอยู่กําลังทํางานทําการอะไรเราก็จะบอกเออนี่เป็นความคิดที่ดีแต่เปรียบเทียบกับความคิดที่มันจะเป็นไปในทางกลางพยาบาทเปรดเบียนแต่บอกความคิดที่เราบอกว่าดีในขณะที่เราลืมตาเนี่ยถ้ามันมาอยู่ในช่วงที่เรากําลังนั่งหลับตาเอ่อกำลังนั่งสมาธิบางคนมีความคิดว่าอันนี้ไม่ดี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 อะไรคือสิ่งตามไปที่นี้ก็คือความคิดความนริที่ผิดคือมีชายสังกปะความนริที่ไม่ดีในเรื่องการพยาบาทเบียดเบียนถ้าจิตของเราไปอยู่ตรงนั้นอันนี้ไม่ดีเนี่ยกุมไม่ได้ ล, ละเนี่ต้องแก้ไขแต่ถ้าจิตของเราออกจากดินแดนตรงนั้นได้แนี่ยมาอยู่ในความคิดที่ดีเป็นส่วนใหญ่อันนั้นดีแล้วอันนั้นดีแล้วจะหลับตาลืมตาดีทั้งสิน้น แ, แล้วถ้าพบว่าเราทําให้ดียิ่งขึ้นไปเนีรวบรวมเข้ามาอีก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 แต่ถ้าเราอยากจะให้มันมีความสุขอยากให้มีความสุขแล้วก็ไม่อยากที่จะให้มีความฟุ้งซ่านแต่คนทั่วไปส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้นังสมาธิเนี่ยถือว่าคิดไม่ถูกต้องยังคิดไม่ถูกเอาพูดกันตรงๆเลยเอ้าทาไมอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเรามีความอยากที่จะทําจริงของเราให้มันมีความสุขที่เกิดจากความสงบไอ้ความอยากนั้นเนี่ยมันไม่ดีนีถ้าอยากแล้วเป็นเหตุของความทุกข์เป็นตัณหาแน่นอนมันไม่ดีแน่ละได้แล้วดี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 ที่เกิดจากสุขเวทนาเกิดขึ้นเราคิดว่าตรงนี้เราได้ความสุขตรงนั้นใช่ไหมแต่พอมันไม่มีความสุขเวทนาตรงนั้นเกิดขึ้นเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านไปเลยเป็นความคิดที่เป็นประเด็นทางการเกิดขึ้นเราคิดว่าเราไม่ได้ความสุขใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นั้นเราได้ทั้งสองอย่างเพราะว่าสุขก็มีทุกก็มีสิ่งที่เราจะต้องมีต้องได้ตนะ้องทำในธรรมฝังในการที่จะเกิดจากการที่เรานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบเนะี่ยคือเรื่องความเพียรเรื่องของสติเราตั้งขึ้นให้ได้ แ, แน่นอน สติเนี่ยหมายถึงการที่เราระลึกได้แต่เมอมีความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นเราก็มีสติตั้งขึ้นเอาไว้อันนี้เป็นไปได้สามารถทําได้เรามีความคิดที่ดีๆที่เป็นไปในทางที่ไม่เกี่ยวข้องโดยการเกิดขึ้นเราก็มีสติตั้งขึ้นได้อันนี้ทําได้แน่หรือแม้แต่เรามีจิตที่สงบเป็นอารมณ์อันเดียวมีความสุขที่เกิดจากความสงบขึ้นอันนี้เรามีสติก็ตั้งขึ้นได้แน่เพราะฉะนั้นเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยสงบไม่สงบเราได้ทั้งสิ้น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 หันมาถูกทางเรือมันอาจจะยังหันหัวมาไม่ถูกทางแต่แต่ว่าคนพายเรือนี่คิดมาถูกทางแล้วอันนี้คือลักษณะของคนที่เริ่มมีสั ม, มาธิฏิละเริ่มมีศรัทธาแล้วเริ่มมีส ม, มาธิฏฐิแล้วเริ่มพยายามที่จะทําความเพี่ยนแล้วแต่อาจจะยังตั้งสติขึ้นไม่ได้อาจจะยังทําสมาธิเกิดขึ้นไม่ได้แต่ก็มาถูกทางแล้วจะเป็นลักษณะที่ถูกต้องและแน่นอนท่านบุฟ่งข้าพเจ้าก็ต้องเตือนว่า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 แสงว่าออกนอกร่องออกนอกรอยอ้าวเราก็ปรับไหมเอ๊่ปฏิบัติไปมันทําไมฟุ้งซ่านแฮะแต่ฟุ้งซ่านไปนในความคิดไม่ดีด้วยอ้าวเราก็ปรับไหมนะแสงว่ามันออกนอกร่องนอกรอยไปแล้วก็ปรับให้มั น, มนอยู่ในทางอันนี้เป็นจุดที่เราจะชี้บอกได้ว่าเราปฏิบัติอยู่ในทางไหมนั่นะคือพวกอกุศลธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นตัวชี้บอกได้อันหนึ่งนะว่ามันยังไม่ถูกร่องไม่ถูกรอยแล้ก็ต้องค่อยปรับไปซึ่งในการนี้ประเด็นถัดมาคือเราต้องมีคือตัวช่วย มีเครื่องมือในการที่จะต้องช่วยซึ่งเครื่องมือนี้มีหลายอย่างมากท่านผู้ฟังสิ่งที่ข้าพเจ้าใช้อยู่เป็นประจำก็การระลึกถึงลมหายใจคืออนนาปานสติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือบางทีข้าพเจ้าก็ระลึกถึงพระพุทธบ้างระลึกถึงพระธรรมบ้างระลึกถึงพระสงฆ์บ้างมีพระพุทธระธรพระสงฆ์เป็นพุทธานุสติทำมานุสติสังขานุสติบ้างหรือบางทีก็พิจารณากระดูกพิจารณากายเป็นกายาขตาสติบ้าง แต่พวกนี้จะเป็นเครื่องมือให้จิตของเราเนี่ยตั้งขึ้นได้จิตของเราที่ตั้งขึ้นได้เป็นสติตั้งขึ้นแล้วเออมันก็จะเป็นที่รักษาจิตให้จิตของเราเนี่ยมีสมาธิเกิดขึ้นได้ตรงนี้คือการทำที่เป็นไปตามลําดับตามฝังเป็นไปตามลําดับขั้นการปฏิบัติตามลําดับขั้นนี้บางคนช้าบางคนเร็วไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ค่อยๆทําไปค่อยๆฝึกไปแต่ขอให้ทําขอให้ฝึกขอให้ปฏิบัติเพราะว่าการทําการฝึกการปฏิบัติตรงนี้เรายังได้กําไร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 ไป ม, มีความไม่ทีม่มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาแต่ซึ่งถ้าตรงนั้นมันเกิดขึ้นเราก็อย่างได้ละ่ะไม่ได้อย่างใดก็ได้อย่างหนึง่งอย่างที่ว่าไปและถ้าท่านผู้ฟังยังมีคําถามเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยนี้เป็นเบื้องต้นที่มาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังฟังว่าแรกเริ่มก่อนที่เราจะปฏิบัติเนี่ยเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้อนนี้ยังไม่ได้พูดถึงเลยนะว่าเครื่องมือแต่ละเครื่องมือทําอย่างไรเนี่ยนี้คือเป็นก็ได้ว่ารายละเอียดการเริ่มต้นของการปฏิบัติของเรา ควรจะต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนถ้ายังมีคาถามข้อสงสัยติดต่อกม่ได้ที่เว็บไซต์ purethama com p u r e d h a m m a com หรือว่าถ้าสะดวกทางการเขียนจดหมายก็ส่งมาเป็นใบเสนยบัตหรือว่าเป็นจดหมายที่เลขที่1หมู่แปดตำบลดอนไยโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็สานกับจ่าพระมหาภัยบุญอภิปุนโนเจริญพร